ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสันเลขสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการขัดเกลอกิเลส อ, อกไปจากจิตใจแต่ก่อนอื่นขอให้มองย้อนกลับถึงองค์ประกอบหลัก ในทางพระพุทธศาสนาคือธ ร, รมในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้ากล่าวโดยประเภทก็มาจากหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการประการแรกเรียกว่าปิญญาตัปรธรรมคือธรรมะที่ควรกำหนดรู้ทั้งหลายก็หมายถึง พวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายและก็ชีวิตร่างกายของคนของสัตว์มันเป็นผลมาจากเหตุต่นั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเราจะต้องการให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แต่มันเองก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน พระพุทธเจ้าทรงสอนในฐานะที่เป็นป ร, ริยาตะระธรรมคือธรรมะที่ควรกําหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรจเจ้าตัว อ, อย่างว่าทรงสอนให้พิจารณาถึงชีวิตของคนแต่ละคน ส่วเราก็สามารถมองจากชีวิตไปหาสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ว่าตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือตกอยู่ในสภาพของความแก่ความเจ็บความตายและการพลาพลาสูญเสียซึ่งมันเองมันเป็นผลมาจากเกิดแต่เกิดเองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะมันเป็นผลมาจากกิเลส กับกรรมแต่เราไปแก้ไขที่ตัวผลไม่ได้เพราะว่าตัวผลมันเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนตา่าในเรื่องนี้บางคราวก็ส่งสอนในรูปของการพินิจพิจารณาให้เห็นว่า สิ่งที่เป็นรูปธรรมกบ น, นามธรรมแต่ว่าทรงแสดงจากขันทั้งห้าซึ่งก็เป็นรูปธรรมกบ น, นามธรรมในความมารูปนั้นก็เป็นรูปธรรมทัางๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามธรรมแต่ก็ตรงอยู่ในกฎเดียวกัน คือเป็นขอไม่เที่ยงเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสามารถดำรงอยู่ได้เพียงขณะขณะขณะขณะขณะที่ยึบจนตามไม่ทันเกิดดับเกิดดับจนดาไม่ทันแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ขัดแย้งต่อระบบความเชื่อที่เข้าใจกันว่ามีความเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเพราะพวกนี้มันเป็นสังขารคือสาตร์ใดที่เป็นสังขารจะต้องไม่เที่ยงแต่ถ้าเป็นวิสังขารนะเที่ยงได้เพราะนิพพานเป็นวิสังขารนิพพานจึงเป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือสุขแล้วก็เป็นอนัตตา คือว่างจากสรรพกิเลสและก็สรรพทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์คือเกิดขึ้นดำรงอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันต้นองคุณตกแด้ดอกนั่นแหละแล้วคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มีการแผดเผาจากปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างตอนเราก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยจากที่พระวจิราเถรีภิกษุณีแสดงไว้ว่าทุกข์เท่า น, นั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่า น, นั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทีนี้ในส่วนของ ที่เป็นอัตตาเพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาควบคุมอะไรให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ขอรูปเราเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปอย่าได้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเราสั่งการอะไรแกไม่ได้เลยอยู่กันมาจะเกิดถึงตายเนี่ยเราเคยไม่เคยพูดกับรูปรู้เรื่องเลยเวทนาเราก็สั่งคขาไม่ได้ แต่ที่จริงเราหยุดที่ต้นเหตุได้นะเวทนาคือไม่ให้เขาเกิดขึ้นปรุงจิตในทางที่ให้เกิดทุกขเวทนาเพราะเวทนานั้นอาจจะเกิดมาจากมรรคก็ได้อาจจะเกิด็นจากสมุทัยก็ได้ก็กลายเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนา หรือบางครั้งอันจะเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นคือกลางๆก็ได้ประทดานั้นเ็าเป็นได้สามอย่างจะเรียกว่าทุกข์สุขทุกขมสุขคือไม่ถึงก็เป็นทุกข์ไม่ถึงก็เป็นสุขสัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันเราเลือกจำได้เราเลือกไม่จำได้แต่ถ้าจาไปแล้วมันก็อยู่ในฐานะที่เป็นทุกข์ คือมันก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำมันขัดแย้งกับภาวะที่เป็นตัวตนอย่างที่เขาเชื่อกันความจริงเน่ยมันมันไม่มีอะภาวะที่เป็นตัวตนแท้แท้ยางยืนถาวรอย่างนั้นแล้วก็พอแยกย่อยออกไปแล้วมันเป็นศูนย์ ท่นใช้คำว่าสุญญตาซ่ามีกัตตาจาักคือเป็นศูนย์เอาควาจริงเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นใครเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแลวเราเองก็ไม่เป็นของใครเลยมันก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัติเกิดขึ้น เป็นพระเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาอะไรต่างๆนี่ที่จริงมันก็เป็นตามการปฏิบัติของเราเองได้พระด้วยการเว้นบาปด้วยการสงบกักบาปโรยมอาสาฬาจริงๆมันก็นไม่ได้มีรูปแบบอะไรก็ตามเว้นบาปมันก็เป็นผู้สงบ ก, ก็สงบจากบาปสงบจากอกุศล เป็นชาวนาก็ประกำเป็นยาวสวนก็ประกำเป็นคมขัดรถก็ประกำเป็นทหารตำรวจเป็นข้าราชการก็ประกำกรรมก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าที่เป็นภารกิจเป็นพันธกิจที่เขาจะต้องปฏิบัติตามสมควรแก่หน้าที่ของเขาเพอโอเกณฑ์ตรงนี้เข้ามาวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นลตลอดเดีดูที่บ้านเนี่ยก็เป็น สามีก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นลูกก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้ก็แล้วแต่ในครอบครัวอยู่กันกี่คนบทบาทของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นในขณะนั้ น, น, นเพราะในความเป็นต่างๆเนี่ยเอาข้าจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า คนทั้งหลายบนเพออยู่ว่านาของเราสวนของเราทรัพย์สินของเร า, บ, เราบุตรพัรยาของเราสามีของเราอะไระแต่ต่างๆก็แล้วแต่นับตนะนับไายเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จริงตัวของเราก็ยังไม่เป็นเราเลยยังไม่เป็นของเราเลยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะั้นตรงนี้ก็ส่งสอนให้เราเพียงกาหนดรู้ ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพุนความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกวิธีที่ดีที่สุดก็คือหาประโยชน์จากมันตั้งแต่งมื่อันตายแล้วอยู่มาเท่าไหร่ก็ตายแล้วประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นปาหาตับประทับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองให้เห็นโทษชัดเจน แล้วก็เพียรพยายามลดละจากใครอย่างการบวชของพระเนี่ยภารกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติต่อตอนเองก็คือเพื่อสำรวมระวังตามบทปัญญิของพระวิ น, นัยแล้วก็เพื่อละกิเลส เพื่อให้กิเลสมันจางคลายไปจนถึงกระดับจนถึงกระดับกิเลสเออกไปแต่มากบ้างน้อยบ้างคือเราทำอย่างอื่ น, นเขาไม่ได้แต่ถ้าเราดับเขาได้เนี่ยเขาจะไม่เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ปัญหาใหญ่ที่เราแก้ไม่ได้เพราะว่า เราดับเขาไม่ได้มันคล้ายๆไฟไหม้ที่เราดับไม่ได้นี่ยังไงมันก็เผาผลานไปเรื่อยๆตอนกิเลสพวกนี้บางทีพระเจ้าก็เรียกว่าอาคีแปลว่าไฟสอนกับพระก็เรียกว่าราคคิโทสักคิโมหคิไฟคือราคาไฟคือโทสะกไฟคือโมหะถ้าสอนกับชาวบ้านก็สอนเป็นโลพาโทสัโมหะ เราเปลี่ยนข้อเดียวแต่โลภะกับราคะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันนั่นแหละประเภทคว้าเข้ามาเป็นของตัวหวังครอบครองแล้วก็ลหลงไหลข้างใครอยู่ก็สิ่งเหล่านั้นเบลสันสิ่งเหล่า น, นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีก็จะเกิดโศกเวลาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็จะเกิดเป็นความสุขเป็นสมานั้น ผลจริงใจเราก็หมุนบุนอยู่ระหว่างความยิน ด, ดียินร้ายในแต่และ ว, วันเพราะนั้นสิ่งที่ต้องละกล่าวโดยสรุปก็คือโลภะโทสะโมหะหรือเา จ, จะเรียกราคะออกไปต่างหาก็ได้ราคะกโลภะเป็นคู่กันแล้วก็โทสะโมหะเร า, า จ, จะนับไปเลย ไปตันหามาน้า ท, ทิิก็แล้วแต่จะเรียกที่เราเจอมาแล้วเราเห็นว่ากิเลสเยอะอย่างในอุปกิเลส16กเนี่ยมันก็ที่จริงก็คือกิ่งของโลภะทุศมาโดยมีรากง่าใหญ่ก็คืออวิชชาอันนี้ต้องมองเห็นโทษแต่แต่เราจะไม่เห็นโทษแล้วเราก็ยอมจำนนอยู่อย่างนั้นแหละ อย่างคนบางคนเมาเหล้าแล้วก็ก่อการทะเลาะกันมีบาดเจ็บมีแผลบางจุดก็มีพิการไปโดนแต่แกก็ไม่เลิกเล่าสักทีเนะี่ยก็ไปโกรธคนที่ที่ทะเลาะกันตนวแทนที่จะโกรธตนด้วยเนะี่ยว่าตนเองเมาสุราแล้วก็อ่านลบาว แล้วว่าเขาก่อนนะฮะเขก็อาจจะไม่เมาหรืออาจจะเมาด้วยกันถามมาโทษสุราถูกไหมที่จริงสุราไม่ใช่เป็นเหตุเพราะสุรามันอยู่ไกลตัวเรามันอยู่ที่ร้านร้านก็ใส่ตู้ไวไ้แหละแล้วก็มีฝาจุกด้วย เราไม่ซื้อหรือซื้อแล้วไม่เปิดเปิดแล้วไม่ดื่มมันก็ปัญหามันก็ไม่เกิดคาว่าเมามันก็ไม่เกิดมันก็เกิดจากจิตที่คิดผิดคือโลบด้วยมีโมหะอยู่มากเราหาคำตอบไปแก่ตัวเองไม่ได้ว่าดื่มไม่ทำอะไรแต่คนก็ดื่มกันเยอะนะ รันก่อนฟังสติติตัวเลขว่าคนติดสุราในสังคมไทยผู้หญิงสองล้านกว่าคนผู้ชายหกหรือแปดเนี่ยนะมากกว่าหลายเท่ามากกว่าผู้หญิงหลายเท่าแสแดงผู้ชายจิตใจอ่อนไหวมากกว่าผู้หญิงรู้แล้วใกล้กับ ผู้หญิงจะอ่อนไหวง่ายกว่าแต่บางเรื่องเนี่ยผู้ชายจะอ่อนไหวง่ายกว่ายาเสพติดสิ่งเสพติดก็เหมือนกันนะผู้หญิงจะอ่อนไหวน้อยกว่าผู้ชายแต่ว่าวันก่อนก็ฟังว่าสถิติการเสพสิ่งเสพติดกับปัญหาเรื่องชู้สาวทองแทง่งทิ้งเนี่ย กำบังแซงไปกำังแซงกันมาอยู่เมื่อแรงในสังคมไทยแล้วก็ตามด้วยปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนั้นนะฮะเป็นปัญหาสังคมก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจแต่ก็คือปัญหาสังคมนั่นแหละพอในสุดมันก็เกิดปัญหาอาชญากรรมการลักการขาโมยการฆ่าการทวงนี้ การออกต อ, อกออกาอรการให้กู้ราคาแพงๆอ ะ, ะไรต่างๆแล้วก็ทวงหนี้กันด้วยวิธีหารเรือหัวรุนแรงคือดูไปดูมาแล้วก็พูดยากเพราะว่ามันเรื่องใครคิดคนนั้นก็ทำมันอยู่ที่ความคิดของคนแต่จิตมันถูกปรุงด้วยกิเลส ที่แรงพอก็เป็นเหตุให้ประพุทธผิดศีลจนได้โอกาสที่จะสื่อสารติดต่อชี้บอกมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสเลย้ปนปัญหาค่าจริงเราก็คนที่จะพูดแล้วให้คนเลิกได้เนี่ยมันหาได้ยาก จะจะรวบรวมตั้งการพูดที่สื่อต่างๆเอ้เราลองสังเกตสื่อต่างๆที่ออกมาทางไหนก็ได้นะมันจะมีลักษณะสื่อให้ให้ฟังฟังแล้วก็เป็นครึ่งกระทบะฟังไปอย่างข่าวคราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้รับรู้ว่าใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไร แต่ถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรมก็ได้รู้เท่านั้นเองได้รู้เต่านั้นเองไม่ดูดีประการที่สองก็คือคือได้ฟังได้ฟังเนยประการที่สองก็คือสื่อให้รู้ก็เป็นหลักวิชาในด้านต่า ง, า ง, างประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์รอะไรต่างๆที่เราพูดกันเนี่ย ก็สื่อให้รู้แต่ว่ารู้แล้วบางทีเนี่ยมันมันทําไม่ได้คล้ายๆ ก, ยกับปีนบันไดสวรรค์มันทําไม่ได้ปัญหาเยอะที่เรารู้แต่เราทําไม่ได้บางทีหนังสือเริ่มเล็กๆนี่มีข้อเสนอดีๆเยอะแต่เราก็ทําไม่ได้ อย่าพวกแนวสุภาษิตอะไรง่ายๆหรือว่าคำนิยามที่แหลมคมเนี่ยมันก็สั้นๆแต่เราก็ทำไม่ได้อย่างเช่นว่ามองโลกเนี่ยมองโลกทั้งผองว่าเป็นพี่น้องกันหมายความาสิ่งมีชีวิตตั้งลายในโลกเนี่ยเป็นพี่น้องกันที่เราเรียวกว่าสัตว์ดาวโลก ทีนี้พอมาถึงทรัพยากรมันก็เป็นของพี่น้องของเราถ้าไม่ใช่ของเราก็เป็นของพี่น้องของเราการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนั้นก็ไม่เกิดขึ้นประโยคนมันสั้นนิดเนี่ยแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายัางยอมจำน้นอยู่กับโลกอดลง เพราะตรงนี้พระเจ้าจึงต้องสอนให้เห็นโทษที่ประจักษ์แก่ใจของเราเองอย่างยกตัวอย่างในการดื่มสุราเนี่ยเราก็พูดเราก็เทศไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าจะให้คนปฏิบัติได้จริ ง, รงๆเขาต้องคิดเองไม่ใช่เรายัดเยียดความคิดให้เขาคือเขาต้องคิดมันเขาเองแล้วเขาก็เลิกได้ด้วยตัวเอง ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าสัตจิกาตปะธรรมคือธรรมะที่เป็นผลเป็นผลก็ต้องไฝ่ฝันที่จะสัมผัสมันให้ได้สัมผัสขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่าทำให้แจ่มแจ้งไปเรื่อยๆแน่อนอนพระอุตสาหามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มรรคผลนิพพานแต่กระต่อยระดับไม่ได้หมดหรอ อย่างเวลามีการบรรยายเรื่องมงคลสูตรอะไรนี่ส่วนมากมันก็มีเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะบรรยายไปประมาณสักสิบกว่าข้อเดี่ยอาขนาดค้องเรื่อนข้องสุกาพอแล้วเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนเราเห็นว่า4ีห้าข้อแรกเนี่เป็นสภาพแวดล้อม สี่ข้อรองลงมาเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ใช้ผลจากการพัฒนาตัวเองมาทดสอบ้วยการครองครองตนครองคนครองงานครองเรือนให้ครองสุขก็ได้ตต่เนี้ยมาตาตปิโตปถานังปุทธาราสังเกโ์หันากราจิกรมันตาเอตัมังเกลมุตัมั หรือต่เวลาขนาดนั้นก็ไม่ไม่พูดไปถึงฐานนะด้านนั้นจะทำมาจริยาจะอุยากนะยาตะการนั่นจะสั่งกระหก็แต่ละข้อนี่มันยากขึ้นเอาในวงแคบๆไปได้ก่อนแต่วงคนละสูตรเป็นนห้นมากที่เราทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่ถึง แต่แม้แต่เนี้จํานวนท่านเนี่ยสิบกว่าข้อก็ส่วนใหญ่ก็ทากันไม่คยได้ปัญหาต่างๆก็ยังเกิดอยู่แต่ก็อย่างน้อยถ้าเราทำได้เจ้าสิบข้อก็แสดงว่าเรา ก, ก้าวสู่ผลได้สิบระดับทำได้ตั้งสิบสี่ข้อก็ได้ขึ้นไปอีกสี่ระดับทำไปอีกสี่ข้อหรือสามข้อก็ได้ไปอีกสามระดับ ก็เป็นเรื่องต้องพยายามนั้นเองกลุ่มต่อไปคือกลุ่มกุศลและธรรมที่เป็นส่วนเหตุทั้งหลายนยีมากมายแก่ยกองที่สรุปรวมเป็นอริยมรรคในองค์แปดประการหรือสรุปเป็นใจศีกขาหรือสรุปเป็นการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การทําำิตให้ผ่องแผ้ว ก็ก็คือกันเนี่ยก็ได้ข้อหนึ่งกันด้เป็นวัยาพ์คือแทนแทนกันได้แต่และอย่างเป็นเหตุทั้งหมดเวลา น, นพระพุทธเจ้าประสงสอนในฐานะเป็นภาเวตัป ธ, ธรรมคือตา ม, มาที่จะมองเห็นคุณประโยชน์แล้วก็พยายามลงมือประพฤติปฏิบัติ พัดได้สัมผัสผลแห่งธรรมะเหล่านะั้นอันนี้คือโดยประเภทผลธรรมะแปดหมืนสี่พันมันแยกเป็นสี่ประเภทอย่างเงี้ยทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ากุศลธรรมะกุศลธรธมรมะปยากตาธรรมะแล้เราก็จะเห็นว่าถ้าแยกอย่างนี้กุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีสองอย่างก็คื อ, อนิโรธธรรมะ แล้วอกุสลาธรร ม, มาก็มีหนึ่งอย่างก็คือสมุทัยสัตว์อัิญากตาธรร ม, มาก็มีหนึ่งอย่างก็คือทุกขสัตว์แล้วตกลงมาเป็นสามก็ได้เพราะว่าอริยมรรคกับนิโรธเนี่ยเป็นปัจจัยของการอะไกันหมายความมาถ้าอริยมรรคไม่เกิดนิโรธก็ไม่เกิดอริยมรรคสมบูรณ์นิโรธก็เข้าถึงความสมบูรณ์ เป็นผลที่จิตได้เสวยระดับสมบูรณ์ก็เป็นอะไรล่ะในมงคลสูตรที่ท่านใช้คำว่าพุทธสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปรติแม้จะ ก, กระทบกับโลกกระม ท, ท, ทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจิตก็ไม่สั่นไหวเวลาประสบกับการพระพรกศสูญเสียก็อาจโศกังคือไม่โศก เพราะไรรจิตมันปราศจากมณินคือกิเลสจิตมันก็เกษมันก็ผ่องใสอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรอารมณ์โลกที่จะทำให้แปดปื้อนได้คนใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของอารมณ์โลกทีนีอ้อย่างหนึ่งี่พูดถึงลักษณะหมายความมาลักษณะที่ ขึ้นแล้วทําปฏิกิริยาต่อจิตเราเนี่ยมันก็แบ่งรค ก, ก็แบ่งออกเป็นสามสี่ลักษณะลักษณะแรกเขาเรียกว่าสวัสดธรรมคือเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ถูกต้องสมบูรณ์เจนเนี้ยช่นจะแนกเป็นอ ร, ริยสัจจะแนกเป็นไตรสิกขาจะแนกเป็นอริยมรร จะน่เป็นอะไรก็ตามจะแน่เป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเรียกว่าแสดงไว้สมบูรณ์หมดัไม่มีความบกพร่องแล้วก็เป็นเขาเอย่างนั้นจริงๆถ้าเราเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยจะลาทุกข์นี่เราลาไม่ได้ถ้าเราไม่ลาที่เหตุคล้ากับความร้อนนี่เร า, าดับมันไม่ได้ถ้าเราไม่ดับที่ไฟ หรือว่าเราจะาไปกําหนดรู้กิเลสเฉยๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะก็บำมอให้เห็นโทษของมันนี่โท ถ, ถ้าเราไปปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติมันเป็นผลนะเหมือนกับเราจะออกผลแทนมะม่วงอย่างเงี้ยเราต้องการผลมะม่วงแต่เราไม่ได้ออกผลแทนมะม่วงมันก็ไม่ได้ เราสร้างเหตุคือปลูกต้นมะม่วงแล้วสนับสนุนบำรุงทนุบำรุงแ ก, ก่เรื่อยๆต้องจะเด่นแกจะออกดอกออกผลเราก็ได้รับทั้งผลในขนาดเดียวกันต้นก็อยู่ด้วยแต่เวลากินผลมันก็แยกออกไปจากต้น อีกอย่างหนึ่งคือสันเลขาธรรมตรงเนี้ยที่เรื่องแกมังจะพูดเนี่ยคือสันเลขาธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลว์ชี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยทรงสแสดงระดับปฏิบัติจรงิงๆหมายความมันต้องฝ่ายหนึ่งมันเกิดฝ่ายหนึ่งมันต้องจางคลายลงไปหมายความมังกรุ่นไปขัดเกลวอากุศลออกไปจะจิตใจ แต่ถ้าเราดูภายในจิตของเราซึ่งเราเป็นสามัญชนเนี่ยแล้วก็เหตุว่าเออมันก็ชักขเยอะกันอยู่นะเช่นสติกับขาดสติความเพียรกับความเกียรครั้นเชื่อกับไม่เชื่อสมาธิกับฟุ้งซ่านปัญญากับอวิชามันก็เปลี่ยนกันครอบงมจิตเรา แสดงว่าเมื่อฝ่ายอากุศลเกิดเขาก็มีพลังมากพอเขาก็ขดจัดกุศลได้ขัดเกลากุศลออกไปจากจิตใจเราได้แต่จุดเน้นจริงๆเนี่ยต้องการจะพูดถึงกุศลซึ่งทาหน้านะที่ขัดเราอากุศลออกไปจากจิตข้อที่สามมีลักษณะเขาเรียกว่านิยานิกระทัมเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องนำออก โดยเนื้อหาที่มุ่งหมายจริงๆก็นำบ อ, อกจากกิเลสแล้วนำบ อ, อกจากทุกแต่ถ้าเรายังเป็นสามัญชนอยู่เวลากุศลกเกิดแก่ก็นำความสุขความซึงอบออกไปจากจิตนำก่แอนํานานากุศลออกไปกกจากจิตด้วยแล้วก็เข้ายึดกรุ่มจิตของบุคคลไว้แทน แต่ว่าที่บอกว่าเป็นการเน้นจริงๆคือเน้นที่กุศลขัดเกลาอากุศลเพราะว่าตัวข้อที่สี่เนี่ยเป็นสันติธรรมคือเป็นธรรมะที่นำความสงบมาสู่จิตของบุคคลจากโนโลและจากระดับศีลจากระดับธรรมะปฏิบัติร ะ, ะมีเมตตากรุณามุตตาอุเบกขาใงต่างี แล้วก็จากระดับสมาธิระดับฌานหุนั้นเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือให้รับความสุขในปัจจุบันแต่ก็เป็นกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ต่อไปก็จะสงบจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเ ป, เป็นเป้าหมาย เพราะในพระสูตรนี้พรจะพุทธเจ้าจะส่งยกธรรมะเยอะกิเลสเยอะขึ้นมาให้เห็นว่าถ้าเรประกบกันอย่างเงี้ยแต่ก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมะก็คือฝ่ายมาัจกิเลสก็คือฝ่ายสมุทยัยทีนี้ธรรมะเองเขาก็มาจากไม่ลบไม่กวดไม่หลงหรือมาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากกอริยมรรก็ เ, รเป็นกิ่งก้านสาขาของอริยมรรค กิเลตเองก็มาจากอากุศลคือโลกโลกุรโลกหรือว่ามาจากมิจฉาทิหรือมาจากความไม่มีศีลความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาก็แล้วแต่เป็นพระธรรมเทศนาที่ยังแสดงแก่ภิกษุอยู่ อย่างที่บอกว่ามาถึงสูตรที่แปดแล้วอย่างค่อนข้างยากในภาคปฏิบัติแต่ว่าทั้งหมดมันก็มีอยู่ภายในใจเราทุกคนมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเท ต, ตะวันอันเป็นอารามของอนาธบินิกาเศรษฐีท่าน กระหมาจุนทะออกจากที่เร้นกระหมาจุนทะนี่ก็เป็นน้องของพระสรฤบุตรนะครับแล้วก็เข้าไปฟาด พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชิดทิเหล่านี้มีประการต่างๆประกอบด้วยการกล่าวปราลบัตตาตวะทะหรืออตวะทุปาทานนะครับ ว่ตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นอะไรแสดงตัประกอบด้วยการกล่าวปรารบโลกคือโลกวาระโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสริระอันนั้นชีพอันอื่นสริระอันอื่นฮะปรารบสัตว์อาสัตว์เบื้องาแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก สัตว์เบื้องหน้าตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าตตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าตตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ยกเป็นต้นเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะเทียงกันทีนี้เมื่อภิกษุมนสิการทำเบื้องต้นเหล่านั้นการละทิฏฐิเหล่านั้นการสลัด ทิ้งซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นจะมีได้โดยบายอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพร ะ, พระภาคเจ้าได้สัตวา่าจุนท้าทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประกอบเป็นตัวตวาทาบางประกอบเป็นโลกวาวะท่าบางย่อมเกิดขึ้นในโลก อย่ายกตัวอย่างเนี่ยเช่นเช่นทิฏฐิที่แรงมากแรงสุดสุดแรงกว่าอนันตริชกรรมเนี่ยที่ยิงมันมีสามข้อแต่นั่นเองคืออากิริยะทิธฐิปฏิเสการกระทำทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางกลางเนี่ยว่าไม่ถือว่าเป็นการกระทำกรนีเกาเรียกว่ากิริยาวาทะแล้วก็ อตุกะทิฏิเรือตุกะวาทะวาทาว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเขตอาจจะเกิดจากอะไรล่ะอาจจะเกิดโดยบังเอิญอาจจะเกิดด้วยสิ่งสูงสุดอาจจะเกิดขึ้นจากจากจากจากกรรมเก่า จะกรรมเก่าต่างๆก็กลายเป็นรับที่กรรมเก่าไปแต่ทีนี้กรรมเก่าเนี่ยคื อ, อย่าลืมว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยอย่างเช่นเวลาเอาสักสิบนาทีก็ได้นะครสิบนาทีกรรมที่เราทําเมื่อห้านาทีก่อนเนี่ยแล้วเรากําลังทํากรรมในห้านาทีในในนาทีที่หกเนี่ยคือแสดงว่ากรรมในห้านาทีก่อนมันเป็นอดีตไปแล้ว กรรมในนาทีที่หกมันก็เป็นกรรมในปัจจุบันแต่พอเราทำกรรมในขณะนั้นแหละหนาทีที่เจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตทีนี้พอเราทำกรรมที่เจ็ดก็แสดงว่ากรรมที่เจ็ดเป็นปัจจุบันกรรมที่หกเอาเป็นอนดีตไปแล้วแลรร้วกรรมในในนาทีที่ 8, แปดนาทีที่เจ็ดมันก็กลายเป็นอนดีตไปแล้วเพราะฉานั้นมั น, มน กรรมเก่าอย่างเนี้ยมันมีเรียกว่าบุพกรรมแต่ว่าบุปกรรมที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มาจากเขตอ่ะเพราะถามตั้งที่มาของคําว่ากรรมเก่านั่นคืออะไรโอเคก็ว่าไปยุ่งเลยทีเนี้ยคืออย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรียกว่าอัสวะบารมีนั้นมันมาจากอดีตทั้งนั้นแหละ แม้แต่คุณธรรมหรือว่ากิเลสภายในใจเรามันก็มาจากอริตแล้วเราก็เกิดมาจากมันนะอย่างในปฏิจจสมบา ท, ที่ทรงแสดงเป็นห่วงลูกโซ่ของกิเลสกรรมวิบากหมายความว่าในห่วงเหล่านั้นจริงมันมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากถ้าเราแยกประเภท เราจะเห็นว่าอาวิชชาเป็นกิเลสตัณหาเป็นกิเลสอุปาทานเป็นกิเลสก็มีกิเลสสามอยา่างทีนี้เราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยสังขารเป็นกําวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนา เป็นบิบาก ค, คือเป็นผลซึ่งเกิดจากกิเลส ก, กรรมสร้างให้เกิดขึ้นผลกิเลส ก, กรรมมันก็เป็นกรรมแห่งสังสาระจักรคือกงล้อของสังสาราจักะทําทให้หมุนวนต่อไปก็อะไรเวทนาอนจะตัณหาเวทนาอนิจะตัณหาอุปาทานสองตัวนี้ก็เป็นกิเลส อันที่บ่าผูปรานแล้วก็พบพบชาติชาปรระต่อไปก็โสกาไปเทวทุกโทมนัสพวกนี้ก็เป็นวิบากอีกตกลงว่าเป็นวงกลมเป็นการหมุนระหว่างกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากและส่วนที่ผ่านมามันก็เป็นอนดีตส่วนที่ เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นปัจจุบันแต่ทีนี้ปัจจุบันนี่มันสั้นมันสั้นนิดเดียวที่ยาวไกลซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่คืออดีตกับอนาคตเมื่อก่อนมีโยมอดีตนายทหารพันเอกตนอายุแปสบหแล้วก็นึกอะไรก็มาแวะมาเยี่ยมที่กุฏิ บอกว่าท่านจะคุณทำการเผยแผ่สั่งสอนมานานทำประโยชน์แก่ศาสนามากแก่ชิดชมมากก็ขออวยพรในะจากุลมีอายุสักร้อยสิบกปีบอกโอ้โยมอย่าเอาขนาดนั้นเลยแปดสิบปีก็จะอยู่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาคิดว่าอยู่เป็นวันๆก็แล้วแค่นันตายวันไหนก็คือตายเกืดอายุสิบหกปีร้อยสิบกปีเนี่ยไปทาอะไร มันเป็นภาระแก่คนอื่นแล้วเพราะเราเห็นคนบางคนนี่แปดสิบกว่าก็เป็นภาระแก่คนอื่นแล้วบางทีอายุน้อยกว่านั้นก็เป็นภาระแก่คนอื่นแล้วเขาปล่อยมันเราใช้การเวลามันเป็นประโยชน์นั้นเองเกันที่ปัจจุบันนี่แหละเพราะอดีตมันเป็นได้แค่บทเรียนแต่มันเป็นสิ่งที่ตายแล้ว เราตามไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้อนาคตไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือไม่มาพอมามันก็เป็นปัจจุบันอนาคตเราก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้คือประการต่อไปว่าเรามันมาถึงหรือไม่มาถึงอะตอนมันมาถึงเนี่ยเราอยู่หรือเราตายหรือเราป่วยหรือเราพิการเราก็ไม่รู้อะไรเลย ก็พยายามจับหลักที่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนกขณะที่พระเจ้าทรงสอนว่าตั ท, ท, ทตัถะวิปัสสติให้เห็นชัดแจ้งในขณะนั้นๆั้นอดีตคิดไปก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคิดเพื่อใช้เป็นบทเรียนนี่ได้แต่ไม่ใช่คิดมาวิโต ก, กังบุมากราบมากรุ่มมาเดือดร้อนมาเครียด มาอะไรต่างๆเสียเวลาพวกเร า, เราอนาคตก็เหมือนกันเราก็ไปฝันเพ้อฝันไปได้แต่ว่าองค์ประกอบข้างนอกนี่มันเยอะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรากับอนาคตนอนาคตเนี่ยจะมาถึงหรือไม่มันมากันแน่ แต่ตอนนั้นเราอยู่หรือเปล่าล่ะเราป่วยไหมเราพิการไหมเราตายไหมเราก็ไม่รู้เลยชีวิตที่จริงมันไม่น่าสนุกอะไร เ, เราดูไปแล้วว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องชาติพบเพราะกรรมที่เราได้กระทาอาไว้ ก็ยังนึกว่าพอไปมัธิมนิกายสักพักหนึ่งนะฮะหาไปสู่ที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็น่าจะย้อนกลับไปดูที่พวกเปตะ ว, วัตถุพวกวิมานวัตถุสักระยะหนึ่งนะเพราะว่า คนเราเวลานี้ปฏิเสธตรงนี้มากคือวิมานวัตถุนั้นเป็นผู้ถึงกุศลธรรมเป็นผลของกุศลธรรมก็เป็นวิบากของกุศลธรรมเปตตวัตถุนั้นก็เป็นวิบากของอกุศลก็จริงก็พูดเรื่องกุศลอกุศลนั่นแหละก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนจากรูปธรรมจากรูปธรรมที่ หมายความว่ากิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันปรกกากฏอะทำหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนไปแล้วตอนนั้นวิบากก็กำลังกระทํากรรมตามกิเลสตามกิเลสของตัวเองมากหรือน้อยถ้าเป็นวิบาลก็กิเลสน้อยหนอยะถ้าเป็นเปรตก็กิเลสหยาบมากขึ้นจะแล้วแต่ที่จะทรงแสดงโดยปริยายอะไรไม่แปลกอะไรหรอก แต่ประเด็นสำคัญว่าทั้งหมดมันพายมีอยู่ภายในจิตใจของคนแต่ละคนอย่างน้อยระดับหนึ่งนะถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่เลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เราคนน่แต่ถ้ามีธรรมะล้วนๆมันก็ทำได้ยากจะต้องพยายามการพยายามมีธรรมะได้มากๆเนี่ยหมายความมากิาากกเลสเองก็ต้องสงบ จนถึงก็ดับไปก็โดยการขัดเกลาวโดยนัยาดังกล่าวนี่แหละประเด็นในพระสูตรยังมียังมีเขาเรียกว่าอีกมากทีเดียวนะฮะคือทรงแสดงก็หมายความว่าผู้ฟังท่านมีพื้นอะผู้ฟังท่านมีพื้นท่นเป็นพระอราหันต์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงในหมู่ภิกษุ ท่้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมห า, มาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี